นัอุปนิทยปัจจ no ัย <Charlotte> ก <CA> ับสหชาตปัจจัยมีหวาระนบปุเรชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจ <oor> ัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระนัอาเสวนปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9้าวาระนักรรมปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสมวาระนัวิปากปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระ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 โนนติปัจจัยก no ับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิกขตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกไนหนึ่งรอยสีิปณัติปฏิปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสาวาระณปุเรชาตปัจจัยณปัจจาชาตปัจจัย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 นอธิปฏ right ิป well. ัจใยกับอาเสวนาปัจัยและเหตุปัจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจัยกับอาเสวนปัจัยและเหตุปัจัยมีสามวาระนาปชอาชาตปัจัยกับอาเสวนปัจัยและเหตุปัจัยมีสามวาระนกรรมปัจัยกับอาเสวนปัจัยและเหตุปัจัยมีสามวาระ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 นะอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนะกรร ม, มปัจจัยกับละมีสามวาระนะวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนะวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระในมูลเร็พพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีเหตุปัจจัยเป็นมูลชาณทุกขไนหนึ่งร้อย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 หนึเจ็ณอธิปติปัจจัยกับชานปัจจัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระณนะปุเ ร, people, ารนะชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวะ น, น, นปัจจัยกับละมีสามวาระณนะกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระณนะวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระ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 นวิกตปัจจัยก ah ับอธิปัจจ mm ัยและเหตุปัจจัยมีหวาระจตุกไนัยแปดณอธิปฏิปัจจัยกับอธิปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวณปัจจัยกับละมีสามวาระ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 วิกตปัจจัยมีสาวาระณชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสาวาระในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนวาระที่มีอารามณปัจจัยเป็นมูลอวิคตตาทุกกไนหนึยแ8ดนเหตุปัจจัยกับอวิคตตาปัจจัยมีสองวาระ